ในวันนี้อาสมาภาพจะได้สูกรับนิมนต์ให้มาเทศก็เพิ่งรู้เมื่อตะกี้นี้เองไปเคาะห้องเราไเ่ได้ว่าจะมาเรียกทําไมมันยังไม่ถึงเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีบอกอาจารย์นิมนต์มาเทศด้วยก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมากนะักก็ถามว่าจะให้เทศเรื่องอะไรเทศอะไรก็ได้ เรื่องเจดีย์ตายก็ได้ทีนี้มันจะเทศอะไรเจดีย์ตายก็อวตรก็ประกาศอยู่ทุกวันอั น, น้สงเจดีย์ตายที่มาที่ไปแล้วเราจะไปพูดอะไรเ<ป>มื่อวานก็ไยพรก็บอกไปแล้วเรื่องเจดีย mm ์ตายก็คือในสมัยโบราณเขาจะมีทำพูดสิปรากก็คือทำบุญสนใจเข้าวัด สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้มาฟังก็คือว่าของทุกอย่างที่อยู่ในวัดเนี่ยถือเป็นสมบัติของสงฆ์ทั้งหมดอย่างเราได้รักษาการแทนเป็นเจ้าว่าก็มีหน้าที่ก็คือดูแลสมบัติทุกชิ้นที่อยู่ในวัดก็คือสมบัติของสงฆ์อย่างญาติโยมเข้ามาเนี่ยพอบางคนเอาของมาถวายก็ออยังเกิดความยึดติดอยู่ว่า อันนี้เป็นของเราของปู่ของชั้นอย่างโยมมาถวายถ้วยถวายจานถวายช้อนเนี่ยก็จะมีความยึดติดว่าอันนี้ช้อนปู่อันนี้จานปู่อันนี้พะระองค์เ็คนโน้นห้ามใช้ตรงไหนอันนี้ห้ามใช้จริงๆไม่ใช่คือถวายวัดมาแล้วก็ถือเป็นของสงบนแล้วถือเป็นความรับผิดชอบดูแลของพระก็คือของเจ้าว่านั่นเองเอทีอนี้สมมุติว่า เราถวายช้อนถวายจานไปแล้วเราไมา่ยืมไปอ่าเดี๋ยวจะที่บ้านจะมีงานขอยืมจานยืมช้อนไปใช้โดยที่เราเลืมคิดไปว่าอันนี้เราถวายไปแล้วแต่เราคิดว่าอันเนี้ยเราเป็นคนถวายเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยเราถวายเองเราไม่ต้องมาคืนก็ได้อันนั้นเนี้ยมันก็จะเรียกว่า ติดตามไปก็คือสิตนี่สงในในที่บางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าตามวัดต่างๆก็จะมีตู้เขียนว่าชำระนี่สงในการชำระนี่สงเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเรามีโอกาสไปทำบุญที่วัดอื่นเนี่ยก่อนจะกลับเราก็เองเงินะหยอดห้าบาทสิบบาทก็ได้อธิษฐานว่าขอชาระนี่สง ที่เรามาทําบุญในวัดเนี่ยเรามีอะไรผิดพลาดเราขอชําระหนี้สงฆ์งก็เหมือนกันเหมือนกับทรายก็คือคนเราเนี่ยเวลาเข้าวัดเนี่ยออกไปทรายมันก็ต้องปิดรองเท้าออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นหนี้สงฆ์ละก็คือเอาสมบัติของวัดออกไปข้างนอกก็เลยโชคปีที่หมู่บ้านเราได้มีการทําบุญต่อเจดีพระทรายตามธรรมเนียมสมัยโบราณมา ก็คือทําบุญให้กับวัดนั่นเอ ง, เองนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวในการที่เราสร้างหนี้ส่งขึ้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดให้ฟังในวันนี้ก็คือหนี้ที่เราทํากับพ่อแม่ทุกวันนี้เราก็ไม่เคยรู้ตัวกันมาก่อนว่าเรามีหนี้กับพ่อกับแม่เพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่อาหาร เราก็ไม่สามารถหามาเองได้เราก็ต้องอาศัยของพ่อของแม่ปุ๋ยหญ้าก่ยายกินอย่างทุกวันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อคือนให้กับพ่อกับแม่อ่าเราสามารถนับได้เลยว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี้ยเราซื้อคือนให้กับพ่อกับแม่กี่ครั้งไม่ต้องเราถึงปีเอาแค่เดือนหรืออาทิตย์ก็ขออาทิตย์หนึ่งเนี้ยพ่อแม่หาให้เรากิน แต่เราซื้อคืนให้กับพ่อกับแม่อีกครั้งนับได้เลยเรดฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนี้ที่เราไม่รู้ตัวอาหารเสร็จก็เสื่อ น, นุ่มหม่มเสื้อ น, นุ่มห่มเนี่ยยิ่งหนักกว่าอาหารอีกปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยซื้อคืนเสื้อผ้ากางเกงนอกกางเกงในให้กับพ่อกับแม่หรือปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณเลย อาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือปีใหม่ซื้อเสื้อผ้าให้กับพ่อกับแม่เนี่ยอันนี้ก็คือทางหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อของอาตมาเนี่ยก็ได้สั่งสอนมาจะเน้นในเรื่องของความกระตันยูนะครับท่านก็จะสอนในเรื่องของนี่ปัจจัยสี่นี่ยแหละที่เราไม่เคยซื้อฟื่นให้กับพ่อกับแม่ไปถึงที่อยู่อาศัยเราอาศัยบ้านพ่อบ้านแม่หรือญาติยายอยู่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี้ย เราก็ยังไม่เคยสร้างเกิดให้ก็มีแต่เราอาศัยยบ้านพ่อบ้านแม่ยารักษาโลกเช่นเดียวกันเราไม่สามารถหายอยู่หายายาได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเังนั้นเนี่ยก็คือหนี้ที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับไอหนี้ทายที่เราผลออกจากวัดเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวไอหนี้กับพ่อกับแม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเพราะไม่ค่อยมีใครมาสอนเราในเรื่องแบบนี้เราก็ไม่รู้ตัวทุกวันเนี่ย เราก็ลาบากกากกรรมต้องมาหาซื้อรถซื้อบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถทำงานเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดลำบากกากกรรมมากโดยที่เราไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นเพราะหนี้ที่เราทำไว้กับพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังหลวงพ่อก็จะได้สอนอาตมาว่าเวลาเราหาเงินได้สมมติเรามีการมีงานทำเนี่ยเดือนหนึ่งเราก็ ได้เงินมาเอาเงินเข้าไปหาท่านหรือหาพ่อหาแม่หรือหาปู่ย่าตายายเนี่ยมุดเราได้เงินมาสักหมื่นหนึ่งเราก็อาจจะเียดไปสักห้าร้อยหรือพันหนึ่งแล้วก็เอาไปกราบท่านบอกว่าเนี่ยเราขอใช้หนี้ปัจจัยสี่ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาได้แก่อาหารซึ่งนุ่งหง่มที่ว่อาศัยยารักษาโรคกราบท่านแล้วก็เอาให้ท่านไป ยังไงท่านก็ต้องรับอยู่แล้วจะคืนให้ไม่คืนให้ก็อีกเรื่องนึงแต่เราทำด้วยเจตนาทันบริสุทธิ์อันนี้หลวงพ่อก็ได้สอนมาแล้วก็ลองได้สังเกตดูยอย่างเน้นในเรื่องของความกระตันยูเนี่ยวันสงการเนี่ยก็มีโยมลูกของโยมเนี่ยชื่ออะไรทำบุญเยอะๆโยมอะไรลูกเขาโยนไปตองกันได้ไหม ก็กินเหล้ามาอาตมาก็ไปนั่งดูไปฟองอยู่ก็กินเหล้าก็มึนมนมานะเขามาพูดเนี่ยหลวงพี่โอ้โหเนี่ยหลวงพี่ไม่ว่าจะเป็นพักมาจากที่ไหนอะ่ะผมไม่สนทั้งนั้นนะถ้าไม่มีความเมตตากตัญญูกับพ่ อ, อแม่เนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้เออเข้ามาพูดกับอาตมาเขาพูดวนอยู่อย่างเนี้ยนะผมเน้นในเรื่องของความกตัญญูเนี่ยแล้วก็อาตมาลองสังเกตดูเนี่ย คนที่มีความกตัญญูกับพ่อกับแม่คือเขาบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยคือพระอรหันต์ของลูกเราทําบุญกับพ่อกับแม่เลีย้ยงดูพ่อกับแม่เนี่ยข้อที่สังเกตดูที่ผ่านๆมาในการบวชหรือถ้าเจอญาติโยมเนี่ยคนที่ดูแลพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแล้วก็มีความกตัญญูกับตเวทีเนี่ยเขาคิดว่าอันนี้ส่งเนี่ยมันจะส่งผลมาก บางทีทําบุญเยอะแยะมากมายเนี่ยยังไม่เท่ากับทํากับพ่อกับแม่สังเกตดูคนที่มาที่ญาติโยมที่รู้จักเนี่ยคนที่เขาทําดีกับพ่อกับแม่เนี่ยทุกคนจเจริญหมดมีเงินมีทองมีความสุขมีความอิ่มอกใจทุกข์อดจะขอฝากไว้ในเรื่องของความสันอยู่อีกนิดนึง นี่พระคุณเจ้าอย่างจัดมิเต็จก็จะเอวนได้ทาในเรื่องของในการใช้ชีวิตเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวเราก็ต้องจับกรุงเทพบ้างไปทํางานบ้างก็จะสอนทําในเรื่องของการใช้ชีวิตของทางโลกก็คือพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ก็คือเขาเรียกว่าโลกธรรมแปก็คือธรรมแปดประการของผู้ที่ใช้ชีวิต ทางมนุษย์โลกก็จะมีแปดข้อด้วยกันก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีชื่นชมก็ต้องมีนิมทาอันเนี้คือหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นปัจจธรรมก็คือเป็นปัจจการว่าความเป็นจรงิงธรรมก็คือธรรมชาติก็คือความเป็นจริงของธรรมชาตินั่นเองในเรื่องของโลกธรรมแตก อย่ามีลาบเสื่อมลาบเนี่ยก็ถือว่าถ้าเรามีเงินมีทองเข้ามายวมันเงินทองมันก็ต้องออกไปได้วนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ในธรรมของพระเจ้าแล้วเรามาพิจารณาอ่ามีลาบเสื่อมลาบเราได้เงินมาอาจจะถูกหวยมาเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เงินไปหมดมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วมียศเสื่อมยศเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างพ่อของอาตมาเนี่ยเป็นตำรวจ สมัยก่อนมียศหาบรรดาตัดมาก ม, มายปีใหม่ปีหนึ่งจัดงานปีหนึ่งคนมาที่บ้านมากมายมีคนให้เขียนเยอะพอตอนหลังไม่สบายก็เออรีออกมาก็าจะสังเกต ด, ดูจัดงานปีก็จะคนก็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมียศพอไม่มียศเนี่ยก็จบละเหมือนอย่างทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่อามาอมตเนี่ยพอแก่ไปก็เนี่ยเหมือนโยมนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย ก่อนอาจจะเคยใหญ่เคยโตมาก็แก่ไปไม่มียศก็เป็นยังไงก็งไม่มีคนมาหาอะไรมากนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติพอไปมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์อันนี้ก็เรื่องปกติคือเราไม่สามารถมีความสุขตลอดตลอดเวลาได้ยังไงเราก็ต้องมีความทุกข์ถ้าเรามีความสุขตลอดมันก็ผิดปกติมนุษย์แล้วเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าเออเรื่องปรุงเนี้ย มันเป็นธรรมชาตินะเราไม่สามารถทุกอย่างเนี่ยอย่างที่เราหวังได้ในข้อสุดท้ายมีชื่นชมก็ต้องมีลินทาในข้อนี้ตัวสำคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะไม่ชอบไม่ยินในสิ่งที่เราไม่คาดไม่คาดไว้ในใจอย่างเช่นว่ามีคนชื่นชมเรามีคนมายกย่องเราเราชอบแต่เวลามีคนมาลินทาเรา หรือมีคนมาด่าว่าเราเนี่ยเราไม่ชอบเราก็จะรับไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยอย่างที่บอกมันเป็นธรรมของพระเจ้าให้มาสำหรับผู้ครองเรือนก็คือมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยเราจะเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยอูไม่ชอบเลยใครมาว่าตููไม่ชอบไม่อยากได้ยินมันเป็นไปได้ไหมมันห้ามไม่ได้ด้วยนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจแล้วก็รับเหมือนว่าอันเนี้ยมันคือปกติ อย่างเราไปทํางานเนี่ยหรือเราไปทํางานเจอผู้คนมากมายเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีคนชอบยังไงมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเวลาไปทํางานเวลามีคนไม่ชอบมีคนมาด่ารับไม่ได้โอ้โหรับไม่ได้จิตตกเปรียบยิ่งทํางานร่วมกันต้องเจอกันทุกวันเนี่ยเวลาเราไปทํางานกลับไปเนี่ยโอ้โหมันมันว่าดุอีกแล้วมันด่าดุ musste. อีกแล้วอ่าเราไม่ลองติดกันว่าไอ้คนชมมันก็มี ไอคนเกลียดมันก็มีไอคนที่เขาด่าเราเนี่ยเขาด่าไปก็จบนะ้กลับบ้านไปเ้าก็กินข้าวนอนหลับไอคนที่ฟังแล้วก็มาคิดเนี่ยกลับไปมันนอนไม่หลับเครียดไอคนด่ามันหลับสบายเลยละไอคนนอนดา่าเครียดเครียดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเครียดื่นมาเครียดนอนก็เครียดกินก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับไอคนดา่ายังไงหลับสบาย ดังนั้นเนี่ยเราก็เอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเอามาแล้วก็มาคิดดูว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติทุกคนมันก็ต้องเจอเราไม่สามารถห้ามไอ้สิ่งพวกนี้ได้มันเป็นความจริงเออมันเป็นความจริงเพดัะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําใจรับมันแล้วก็สู้กับมันไม่ใช่ว่าเราทําใจรับไม่ได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปโดยที่อยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบความเครียด ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือธรรมะที่จะให้ไว้สําหรับปีใหม่นี้เวลาเรามีเรื่องทุกเรื่องร้อนเนี่ยเราก็ลองคิดถึงธรรมะข้อนี้ดูยังไงมันก็หนีไม่พ้นมันเป็นความจริงมีสุขมีทุกข์มีชื่นชมมีลินคามีลาบเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศเนี่ยถ้าเราเอาใจเราแล้วก็พิจารณาดีๆแล้วก็รับกับชีวิตประจําวันของเราให้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขไปปีหนึ่สุดท้ายนี้อาตมาก็ขอนิมนต์พระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงมาดลบันดาลอวยพรให้ญาติโยมที่มีจิตสรัทธาเข้ามาทําบุญทั้งหลายจงมีความสุขทิศสิ่งใดขอให้สมมากตันขนานทุกคนทุกท่านทุกสการ์ด้วยเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉนี้